การฆ่าตัวตายถือเป็นปาณาติบาตหรือเปล่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาตแต่เป็นอัตตาวินิบาตเป็นการครนละอย่างครับปาณาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุขัรากสิทธิในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญมาก ก็เท่ากับตัดโอกาสสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตตะวินิบาตคือการปลงชีวิตของตนมีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไขโดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด้วยทางหลัดการไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้น ไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากถ้าจะเปรียบกันกับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดนไหนในโลกเนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนี้สินเงินทองมากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณฆ่าคนมีบุญใหญ่โอกาสสวยบุญเก่าตลอดจนโอกาสทำบุญใหม่ของเขาก็ถูกตัดทิ้งไปยอมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสสวยบุญ และโอกาสทำบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาปการหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเองทุกข์ที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดีแถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกระทง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 มีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอตวัตวินิบาทมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจมีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแออยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้น การฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองย่อมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวังแต่หากฆ่าตัวตนโดยไม่มีจิตเศร้าหมองคือทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสัรเสริญการสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวง ที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับ